ตอนที่สิบาพ่อใจร้ายที่เหมือนกับย่าละอาแม่ลิวันตะโกนลละนนางรีพลาเข้าไปคุกเข่าข้างกายหลีชิงถิงหางตาเหลือไปเห็นเจิ้งหยุนชงที่อยู่ด้านหลังโจเจี้ยนเยี่ยตรงหน้าประตูชายหนุ่มก้าวฉับๆเข้ามาคว้าคอเสื้อโจเจี้ยนเย่แล้วกดตัวเขาเข้ากับกรอบประตูอย่างแรงจนเกิดเสียงดังปึกวิ่งมารังแกผู้หญิงถึงที่นี่แกยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าเจิ้งหยุนชงเอ่อยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงคำเตือนโจเจี้ยนเยี่ยที่ถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกใบหน้าแดงก่ําขึ้นมาทันที เขาพยายามผลักอีกฝ่ายออกแต่ไม่สําเร็จปล่อยนะฉันนี่เป็นไรคะลีชิงพิงแค่รู้สึกเจ็บแปลบที่เอลตอนลม้มลงกับพื้นเมื่อครู่พอความเน็บชาทุเลาลงนางก็มองเจิ้งหยุนชงด้วยสีหน้ากังวลจริงๆนะคะฉันไม่เป็นไรการลงไม้ลงมือในเขตทหารหากถูกรายงานขึ้นมาอาจจะถูกลงโทษทางวินัยได้ลีชิงพิงไม่อยากให้เจิ้งหยุนชงต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของนางแววตาของเจิ้งหยุนชงไหววูว้เขายอมปล่อยมือจากโจเจี้ยนเย่ยอีกฝ่ายเรียกไอโคลกโลกออกมาอย่างทรมานทันที คุณตีแม่หนูหนูไม่ยอมรับคุณเป็นพ่อหรอกหลิววันมองไปรอบๆกลุ่มสหายที่มามุมดูเหตุการณ์แล้วตะโกนเสียงดังลัน่นคุณมันก็เหมือนกับย่าแล้วก็อาพวกนั้นคุณเป็นคนเลวหลีววันโจจี้เยตวัดรห้ามให้นางพูดจะละเอะแต่พออารมณ์พลุ่งพลานเขาก็ไอออกมาอีกครั้งแค่แค่แคหนูไม่ได้พูดผิดเสียนหน่อยเมื่อครู่คุณก็ลงมือตีแม่หนูจริงๆหลิววันทำท่าทางน้อยใจจนน้ำตาร่วงรินพางส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางเจิ้งหยุนฉง อจเจิ้นขะโชคดีที่อามาช่วยทันไม่อย่างนั้นแม่หนูต้องถูกเขาตีตายแน่ๆฮือฮไม่ต้องกลัวนะอาอยู่นี่ใครกล้ารังแกแม่เราอาจจะเอาคืนให้พันเท่าหมื่นเท่าเลยเจิ้นหยุนชงผูดกับหลีหวานแต่ดวงตาคมกริบกลับจ้องขม็งไปที่โจเจียนเยี่ยวันนี้ผู้พันโจตั้งใจวิ่งมารังแกแม่ไม่ลูกติดหรือไงกันฉันยังนึกว่าผู้พันโจจะสำนึกได้แล้วมาขอโทษเขาเสียอีผู้หญิงแต่งงานก็เหมือนเกิดใหม่ครั้งที่สองแต่นี่กลับทำร้ายสหายหญิงดีๆแบบนี้มาตั้งสิกว่าปี นั่นสีดู2แม่ลูกนี่สิผอมโซขนาดนี้เห็นก็รู้ว่าต้องลำบากมามากต่อให้อยู่ในชนบทธุระกันดานก็ไม่น่าจะถึงขั้นไม่มีข้าวจะกินหรอกมั้งตอนนี้เงินเดือนผู้พันโจตั้งหลายสิหยวนนี่ยังไม่รวมสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงรายเดือนนะออกปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เงินรางวัลอีกจะเลี้ยงดูเมียกับลูกไม่ไหวได้ยัางไงาคราก่อนที่แม่ของผู้พันโจมาเขตทหารฉันยังเห็นอยู่เลยหญิงชาราคนนั้นรูปร่างอวบอัดไม่เหมือนคนอดอยากเลยสักนิดเสียงซุบซิบโดยรอบลอยเข้าหูโจเจี้ยนเยนนเเี่ยนนสีีไปมาาาอยย่ง่งกลด ลี่ชิงพิงเธอลองถามมโน ร, รมตัวเองดูสิว่าเมื่อกี้ฉันเป็นคนผลักเธอหรือเปล่าเห็นชัดๆว่าผู้หญิงคนนี้แกล้งลมเองแท้ๆตอนนี้เขาซึงแล้วว่าคำที่ว่าต่อให้กระโดดลงแม่น้ําหงเหอก็ล้างบนทิ้งไม่หมดมันเป็นอย่างไรก็สถานการณ์ที่เขาจะอยู่นี่ไงที่หลี่ชิงพิงกับหลี่หวานไม่รักนวลสงวนตัวไม่ใช่สิที่พวกนางไม่เจ้าเนื้อขึ้นมาเลย แม่ของเขาบอกว่าพวกนางเป็นพวกประเภทกินเท่าไหร่ก็ไม่พุงกลางแต่ในสายตาคนอื่นกลับกลายเป็นว่าเขาเลี้ยงดูพวกนางไม่ดีหลีชิงพิงนี่ช่างเจ้าเล่ห์เพทุบายจริงๆโจเจีนเ้นี้สูดหายใจหรือขมับเต้นตุบๆด้วยความปวดหัวดูเท่าวันนี้เขาคงต้องปราชัยให้หลีชิงพิงอีกแล้วถ้าคุณไม่ได้ผลักแล้วแม่หนูจะล้มเองได้ยังไงหลีหวานตำหนิด้วยความไม่พอใจพูดจบก็นางก็กางแขนเล็กๆปกป้องหลีชิงพิงไว้ หนูจะไม่ยอมให้คนเลวอย่างพวกคุณมารังแกแม่หนูอีกแล้วนอกจากพวกคุณจะฆ่าหนูให้ตายก่อนลีชิงผิงมองแผ่นหลังเล็กๆของลูกสาวที่ยืนบังอยู่เบื้องหน้านางต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนกันนะถึงได้กล้าออกหน้าแทนแม่ทั้งที่ตัวเองก็หวาดกลัวขนาดนั้นโจจี้นเย่ยฉันไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิดต่อคุณทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำมโนทำตัวเองแล้วคนที่ควรจะรู้สึกผิดจริงๆคือคุณต่างหากไม่ว่าตอนนี้คุณจะพูดอะไรก็เชิญ ลิชิงผิงมองโจเจี้ยนเ ย, ย่ด้วยสายตาโกรธแค้นพางชี้ไปที่ประตูใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ยังไม่รีบใส่หัวไปอีกเจิ้งหยุนชงขมขู่โจเจี้ยนเ ย, ย่เห็นว่าวันนี้ถูกวางแผนเล่นงานอีกแล้วจึงหมุนตัวเดินจากไปด้วยความโกรธแค้นคราวก่อนที่ก่อเรื่องยังแค่ต้องเขียนจดหมายสำนึกผิดแต่คราวนี้โดนลงโทษรวมกับคราวก่อนด้วยคือการถูกสั่งพักงานหลิวเคอเคอพอได้ยินเรื่องนี้เข้าไปถึงกับอึ้งไปเลย แต่สิ่งที่ทําให้นางรู้สึกแย่ที่สุดคือการที่โจจี้นียแอไปหาหลีชิงถิงอีกครั้งตอนนี้ทั้งคู่หยา ก, กันแล้วยินจะมีอะไรต้องคุยกันอีกไปรําลึกความหลังหรือว่าหลิวเคอเคอร์อไม่กล้าคิดต่อเพราะอย่างไรเสียหลีชิงถิงกับโจเจี้นเย่ก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นหมายความว่าต่อให้หยา ก, กันไปแล้วทั้งคู่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนางกำมัดแน่นข้างลําตัวเห็นทีต้องสาดน้ํามันเข้ากองไฟเพิ่มเสียแล้ว หลังจากโจเจี้ยนเยี่ยจัดไปเจิ้งหยุนชงก็สังเกตเห็นว่าแม้หลีชิงผิงจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่เวลาเดินนางกลับกระเพกกรเพกไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยดีกว่าครับเจิ้งหยุนชงขมวดคิ้วมุ่นแผลเล็กน้อยแค่ไหนก็ควรให้ความสําคัญอย่าปล่อยทิ้งไว้จนอาการหนักขึ้นเลยเมื่อครูหลีหวานอาศัยจังหวะที่หลีชิงผิงไม่ทันสังเกตแอบปลดชีพจรให้นางแล้วอาการไม่หนักหนาอะไรหลีชิงผิงโบกมือไม่เป็นไรค่พักสักวันสองวันก็หายแล้วไม่ได้ครับไปโรงพยาบาลดีกว่า เจิ้งหยุนชงยินกราหลีชิงถิงยังไม่ทันได้ตัดสินใจเขาก็ขับรถพาสองแม่ลูกไปถึงโรงพยาบาลแล้วลีชิงถิงมองโรงพยาบาลที่สูงหลายชั้นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางได้มาโรงพยาบาลตอนคลอดลูกสาวนางเกือบจะตกเลือดตายยังไม่ได้หาหมอเลยหนิวซูเฟินเอาแต่ดาทอว่านางเป็นตัวซวยถ้าจะตายก็ให้ส่งกลับบ้านเดิมไปโชคดีที่นางดวงแข็งกัดฟันคลอดลูกสาวออกมาจนได้คราวนี้นางแค่เจ็บเล็กน้อยเจิ้งหยุนชงกลับพา น, นางมาโรงพยาบาลใหญ่โตขนาดนี้ แม่วจดูหน่อยจะได้สบายใจค่ะหลิวหวานช่วยเกลี้ยกล่อมในเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วอีกอย่างนางดูอาเจิ้งคนนี้เหมือนจะห่วงใยแม่ของนางมากทีเดียวถ้าจะบอกว่าทั้งคู่ไม่มีใจให้กันเลยก็คงจะโกหกแล้วหลังจากตรวจเสร็จพบว่ากระดูกก้นกบมีรอยร้าวเล็กน้อยแต่โชคดีที่ไม่รุนแรงมากกลับไปพักผ่อนให้ดีก็พอช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆหรือทำงานหนักไม่ต้องจ่ายยาเจิ้งหยุนฉงถามย้ำกับหมอหลายครั้งว่ามีปัญหาใหญ่โตอะไรไหมหมอตอบอย่างอดทนว่าไม่เป็นไร เขาถึงได้เบาใจหลังจากส่งสองแม่ลูกกลับมาแล้วเจ้าชุนฮวาก็แทบจะส่งซุปกระดูกมาให้ทุกวันพูดตามตรงหลี่หวันดื่มจนแทบจะอาเจียนออกมาแล้วตอนแรกๆ ก, ก็รู้สึกว่าอร่อยมากแต่ตอนนี้แค่เห็นซุปกระดูกก็อิ่มแล้วเสี่ยวหวันเองก็ต้องดื่มซุปกระดูกเยอะๆจะได้ตัวสูงๆนะเจ้าชุนฮวาจะยกซุปมาให้ครั้งละสองชามใหญ่ๆเสมอพร้อมโรยต้นหอมซอยและผักชีเพื่อช่วยตัดเลี่ยนได้มาก คุณป้าคะคุณป้าลำบากส่งซุปกระดูกมาให้ฉันทุกวันเลยตอนนี้ร่างกายฉันฟื้นฟูเกือบจะปกติแล้วไม่ต้องดื่มแล้วล่ะคะ่ะลีชิงพิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณป้าดีกับฉันขนาดนี้ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีแล้วคะ่ะไม่ต้องคิดเรื่องจะตอบแทนอะไรป้าหรอกที่ป้าดีกับเธอก็เพราะเธอช่วยชีวิตลูกชายป้าไว้แสดงว่าพวกเรามีวาสนาต่อกันป้าเป็นคนเชื่อเรื่องวาสนานะเจ้าชุนฮาวาเอ่ยอย่างอารมณ์ดีคำพูดของนางช่างฟังดูรื่นหญิงนัก